ภาวนาก็คือฟังเทศฟังเทศก็คือภาวนาคนจะมีมากสักเพียงไหนก็ตามก็มีท่ทาทีนิ่มน้ำไฟลมนั่นเองจะมีขีราชก็ตามก็คือท่าสีนน้ำไฟลมมีแต่รูกกับน้มัน วันหนึ่งวันหนเราได้ทำความดีอะไรบ้างการก็ให้รู้จักตนเองวันหนึ่งวันหนึ่งคิตใจของเรานึกประทางบาทนึกไปทางบุญขนาดไหนนึกไปทางบาทขนาดไหนแบ่ง เ, เวลาออกอะไรบ้างเป็นหน้าที่ของเราจะพิจารณาแต่วันละวันละวันหรือหากว่า ชีวิตของเราล่วงไปเฉยๆเราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรในทางดีไ้เลยอารมณ์ของผู้ถือพระพุทธศาสนาเป็นอารมณ์ของที่ไปสวดบุญเป็นส่วนมากถึงจะมีบาปมาประปนบ้างก็มีประตูแก้ที่ใจไม่เรื่อมใสพระพุทธศาสนามันหมดหนทาง ผู้เลื่อมใสนะรัพุทธศาสานามีอยู่บ้างแล้วมันเขมรมทนทางผู้เลื่อมใสว่าพุทธศาสนาก็คือใจเป็นผู้เลื่อมใสผู้ไม่เลื่อมใสก็คือใจเป็นผู้ไม่เลื่อมใสทําไมจึงเลื่อมใสว่าพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนามีดีอะไรบ้าง พุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่เป็นโลกุตละศาสนาไม่ใช่โลกีเหตุฉะนั้นจึงเคารพนับถือพระไม่หนักไปในทางวัตถุนิยมฝ่ายเดียวหนักไปในทางอุดมคติมากกว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยมจีวนมินธบาตเสนาสนะและเภสั์ที่ให้อาศัยว่าอาศัยเพื่อปฏิบัติ ท, ทั่วคนทุกขานั้นไม่ได้อาศัยเพื่อจะเป็น เปียเป็นผีมาเฝ้าอยู่ในวัฏจัทรสงสารนี่พระพุทธศาส น, สนามีความหมายอย่างนั้นอาศัยจีวรมินทบาทเสนาสนะอาศัยวัตถุนิยมเพื่อแรกเอาอุดมคติเมื่อวัดมีวัตถุนิยมมาพอได้อาศัยแล้วก็จะไรีบเร่งปฏิบัติเพื่อบรรลุกนวัฏจักรงสารคืออุดมคติมีทานวัดสีวัดภาวนาวัดเป็นต้น ที่เดินออกไปจากโลกถ้ว่าเป็นสามก็มีทานสินภาวนาย่นลงมามีทานสีลภาวนากิเลสก็มีสามสิ่งที่จะต่อสู้กิเลสก็มีสามทานวัตรไปต่อสู้กับความตณีเนี้ยแน่นศีลวัตรไปต่อสู้กับความโหดได้ความฆ่าความแกงหรือความเบียดเบียน ภาวนาวัดไม่ต่อสู้กับกิเลสอันละเอียดที่นอนอยู่เนื้อ ง, นนองในขันธกสันดาล <c oughs> ใครเป็นผู้ประเสิด ก็ไม่เมนืพระพุทธระธรรมพระสงค์นพระพุทธศาสนาจะปกครองกันด้วยวิธีใดก็ตามถ้าไม่มียางอายตาว่าแล้วมันไปไม่รอดเหมือนกันละ่ะถ้ามียางอาตตว่าแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปที่ไหนก็ไปเป็นเพราะมีพระพุะทธพระธรรมประสงค์ตามรักษาจิตอยู่ ถ้าไม่มีละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รักษาจิตใจของเราพระพุทธธรรมสงฆ์ก็สงอยู่ที่ใจไม่ได้ทรงอยู่ที่อื่นทรงในพระพุทธลกูกของพระพุทธลูกเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้คิตใจระลึกถึงผลที่สุดมันก็อยู่กับใจเองอยู่ในหนังสือก็ใจเป็นผู้ไปอ่าน พุทโธที่อยู่ในหนังสือก็เป็นตัวพอเป็นพุทเป็นโทเป็นเขียนตัวหนังสือเฉย lineup, แต่พุทโธอยู่ที่ใจธรรมโม้ก็อยู่ที่ใจสังโฆก็อยู่ที่ใ จ, ใจดีก็อยู่ที่ใจถ้าใจทําดีชั่วก็อยู่ที่ใจถ้าใจทําชั่วเพราผู้บัญญัติดีชั่วเข้าใจเป็นผู้เป็นผู้บัญญัติผู้จะทําเข้าใจเป็นผู้ประทรบผู้เคารพนับถือผู้พูดพผู้ทำประสงค์เข้าใจเป็นผู้เคารพ ถ้ามีก็มีอยู่ที่ใจถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่ใจถ้าหาก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่มีอยู่ในใจมันก็เห็นถ้าไม่มีอยู่ที่ใจมันก็ไม่เห็นที่มีอยู่ที่ใจก็เห็นก็เพราะเห็นได้เพราะมีความเชื่อถือความเชื่อถือนั่นเองเป็นเป็นพระพุทธธรรมประสงค์ความเชื่อถือผีนั่นเองเป็นเป็นผีความเชื่อถือศาสดาอื่นนั่นเองเป็นศาสดาอื่น แต่ว่าความเชื่อไม่มีบุญไม่บาปนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดนั่นเป็นไม่ไม่ไม่ไมเป็นไปตามความเชื่อด้วยเรียกว่าเชื่อผิดเหตุที่นั่นจึงว่าศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อก็ไม่เชื่อไม่ได้สอนให้ไปเชื่อหมด เชื่ออันใดในโลกาไม oh ่เช่าเชื่อพระพุทธศาสนาขณะเดียวเรื่อมอาศัยอันใดในโลกาไม่เท่าไม่เท่าเรื่อมใสพระพุทธศาสนาขณะเดียวเริ่ดึกถึงอันใดในโลกาก็ไม่เท่าระลึกถึงพระพุทธศาสนาขณะเดียวสนใจในในโลกาก็ไม่เท่าสนใจในทางพุทธศาสนาขณะเดียว อดทนอันใดในโลกาไม่เท่าอดทนในทางพุทธศาสนาขณะกี่เดียวคุณว่าพุทธศาสนามีมากไหมไม่มีที่อยู่เอาสัพ ป, ปะไตโลกธาตมาเทียบก็ไม่มีที่จะเทียบมีมากเกินไปไม่มีประมาณจะเล้รอกถึงอยู่กี่ ล, ล้านปีมันก็ไม่จบ จะย่นลงมาก็ไม่มีที่จะย่นเพราะมัญญัติเยียนแล้วทั้งไตทศวรรษด้วยทั้งไตกลกธาตุด้วยมองไปข้างไหนก็เป็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดเสมอกันเหมือนหน้ากรองเลยมองดูไฟก็เป็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มองดูกุฏิวิหารก็คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มองดูที่เรานั่งเรานั่งอยู่ก็เป็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทีเราออมอยู่นั่นก็เป็นคุณของ พ, พระุธรรมประสงค์เขาเห็นแก่ยหน้าค่าซื้อของพระธรรมประสงค์เขาก็มาให้ก็ได้ออมเอ า, มาให้ลูกขลาร้นอมด้วย <c oughs> แล้วนุกก่งกางเกงนุ่งเสื้อนุ่งผ้าก็พระพุทธธรรมประสงค์มาสอนให้นุ่งนะบริมณารังในวาเสดสัมมีติสิฆากรณยาให้นุ่งเป็นปริมณฑลทางเหนือ ทางสูงเหนือสะดือข้างล่างเพียงเครื่องแข้งนุ่งผ้าสบงเธอท่านหลายจงนุ่มน้อยรุ่งน้อ ย, ออยหมน้อยพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนมีเฉพวกผีบาทมาสอนกันนางงามในาวพระพุทธศาสน า, าก็คือพระอระหันต์เป็นนางงามชั้นที่หนึ่ง เันนกจะหัวงอกแก้มตอบฟันหักก็าตามจะเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบกว็าตามก็เรียกว่าชายงามเย็นเด็กเด็กงามเย็นงามถ้าถึงพระรหันต์เป็นชั้นที่หนึ่งนี่ไม่นิยมชั้นวันละเลยชาวไร่ชาวนาคนไปขอทานก็าตามถ้าถึงพระรหันต์แล้วก็เรียกว่านางงามชายงามละ ชั้นที่สองลงมาก็คือพระ อ, อนาคาเมียชั้นที่สามก็คือพระสกทาคาเมียชั้นที่สี่ก็คือพระโสดาวันจาก่อ น, นั้นลงมาเป็นรา ง, งามชายงามทงทางโลกีความบัญญัติว่าสวยลางงามมันก็บัญญัติต่างหาก ความบัญญัติว่าสิ่งที่ดีที่เลิศควาบัญญัติตา่ตางต่างกันมแมลงวันก็บัญญัติมุดคูดเป็นสิ่งที่เลิศของเขาพระสุปฏิปันโูก็บัญญัติพระเนปาเป็นสิ่งที่ประเสริฐของท่านตังควานโลมา ก็ประหยัดมนุษย์สมบัติสวรรค์รมสมบัติมสมบัติเป็นที่ประเสริฐเป็นที่ปรารถนายอดของความผู้ปรารถนาชั้นสูงก็คือพระนิพพานแต่ปฎถนาะย่ั่ไม่ปารถนาะมันก็ดิ่งลงอย่างนั้นทําไมมันจึงดิ่งลงอย่างนั้นก็เพราะมันสร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้ว มันดิ่งลงเป็นเจ้าของใจมันโลกจะมีกี้ันลาสนีกีอสงไขยก็าตามจะก่้งเพียงไหนก็าตามก็คือทุกเราดีๆนี่เองจะแคบยัดเยียดสักเพียงไหนก็าตามก็คือคือทุกเราดีๆนี่เอง โรกโลกไม่กว้างเพราะบัรยัติเยียดกันแล้วเพราะทุกบัรยัติเยียดกันแล้วเดี๋ยวนี่ย้นโลกลงลงมาเท่าปลายเข็มยัดเยียดถึงขนาดนั้นละ่ะพ่อมกับลมหายใจเขาออกย่นสังขารลงมาเท่ากับปลายเข็มพ่อมกับลมหายใจเขาออกยัดเยียดถึงขนาดนั้นละ่ะ รับของโลกโลดลงมาเป็นห อ, อกปลายลำเหลมเรายังไม่พ้นทุกข์ก็แค่ค่าคว่านั่งอยู่ปลายห อ, อกปลายห อ, อกลำเหลมยิ่งดิ้นก็ยิ่งเสียบยิ่งไปในทางไม่ถูก ในวันจจทรัพสารคณะกิจเดียวเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาด้วยไม่ต้องว่าปาน า, าทาิปาตาเวรมนีชิกาปะังสมาธิยามิไม่ต้องว่าก็ได้แต่จะตั้งอยู่นานหรือไม่นานมันเป็นเรื่องของเราอีกอะ ยินดีในพระานก็คือยินดีในมหาศีลยินดีในมหาสมาธิยินดีในมหาปัญญาก็คือยินดีในศีลสิขาศิขาคือศีลยิ่งก็คือยินดีอธิกิตะศีขาศีขาคือจิตยิ่งก็คือยินดีอธิปัญญาศีขาศีขาคือปัญญายิ่ง ผู้มีปัญญาย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีและไม่ยินดีในสิ่งที่ควรไม่มียินดีอันตรงกันข้ามและนับถือในสิ่งที่ควรนับถือและไม่นับถือในสิ่งที่ควรไม่นับถือและโสเป็นโสตายกับสิ่งที่ควรโสเป็นโสตายและไม่โสเป็นโสตายกับสิ่งที่ไม่ควรโสเป็นโสตาย โรคทั้งหลายบัญญัตหลายอย่างตาโอคะโอคะคือกามกามก็เป็นโรคหน่อยหนึ่งพบโบคะโอคะคือพบพบก็เป็นโรคหน่อยหนึ่งทิโถโขกะก็เป็นโรคหน่อยหนึ่ง คือทิฏฐิความเห็นผิดอวิชโชคะก็เป็นโลกอันหนึ่งคือความโง่ก็เป็นโลกอันหนึง่งโยคะสีอาสวะสีเหมือนกันโยคะสีกาโยคะโยคะคือกามภวะโยคะโยคะคือภพทิฏโฉคะโยคะคือทิฏฐิอวิชยะโยคะโอคะ โยคะคืออวิชชามีความหมายอันเดียวกันใครพาให้ท่องเที่ยวในวรดตาสองสารก็คือความโง่พาให้ท่องเที่ยวในวรดตาสองสารใครพาให้หลงก็คือความโง่พาให้หลงก็คือความหลงพาให้หลงจะได้ทหารที่ไหนให้มาลบกับ ความหลงก็คือกองพลปัญญาเท่านั้นปัญญาย่อมชนะมืดแตกกระเจิงเลยมืดไปอยู่ที่ใดแสงสว่างไปอยู่ที่นั่นแล้วก็แตกกระเจิงเลยมืดปัญญาขับมืดหนีถ้าเป็นโลกุตรละปัญญา ก็ไม่ขบดคืนเช่นพระสวดาวันมีปัญญาในทางเห็นชอบเบื้องต้นแลว้ววางทิ้งมดแล้วสิ่งหยาบยาบนะั้นไม่เสียดายอยากจะขบทคืนพระจักขาคามีก็สรงปัญญาอันละเอียดกว่านั้น ศีลของท่านก็ละเอียดไปตามกันด้วยสมาธิก็ละเอียดไปตามกันด้วยเป็นชั้นๆไปส่วนพระอนาคามีปัญญาของท่านก็สูงขึ้นไปกว่าพระโสดาบันสูงขึ้นไปกว่าสัคาคารีศีลของท่านก็เหมือนกันสมาธิของท่านก็เหมือนกั น, น, ก น, กนตั้งมัน่นพวกต่ำกว่าสุปฏิปนูลงมาย่อมภาวนาหาลา ส่วนชุบติปันโนขึ้นไปภาวานาเพื่อคนทุกข์ในวันตารสงสารดิ่งเลยพิจารณากรรมฐานอันเดียวกันก็สูงถ้าจิตเป็นโลคีจะพิจารณาอันนี้จังทุกครั้งอนันตาก็ตามก็เป็นโลคีอยู่ตามเดิมเพระาะภาวนาหาลาบ ถ้าภาวนาหาราบมรนเป็นโลกีทั้งนั้นแหละบวชเพื่อหาราบก็เจตนาโลกีรักษาศีลเพื่อหาราบก็เป็นเจตนาโลกีให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เหมือนกันแต่ออกจากโลกีก็จะเคลื่อนขึ้นไปโลกุตระเมื่อโลคีเต็มแล้วมันเต็มเองมันผู้ที่เต็มโลกีแล้วมันก็เคลื่อนไปโลกุตระใช่ไ ทำไมจึงเต็มโลกีพระเห็นโลกีเต็มไปด้วยกองทุกข์เอื้อมละอาเหตุฉะนั้นจึงยินดีในโลกตระขึ้นไปเป็นลำดับและเป็นทางแน่นอนด้วยทางโลกีเป็นทางเวียน ศีลก็เป็นศีลเวียนสมาธิก็เป็นสมาธิเวียนปัญญาก็เป็นปัญญาเวียนเวียนวนในวัฏฏะสงสารเพราะยังไม่ข้ามพุทธชนคนหนาเมื่อยังไม่ข้ามพุทธชนคนหนาไม่ตกกระแสรพระนิพพานแล้วความปรารถนาของเธอก็ต้องปรารถนาอยู่ในกามาพบรูปประพบอรูปประพบตามเดิมนั่นเองผู้ที่เห็น กามาพบลูกประพบอพอลูกประพบเหมือนไฟผู้นั้นจึงจะยินดีในพระนรพนเห็นโลกทั้งปวงเหมือ น, นล้มฐานเพลจริงจะยินดีในพระนรพนเมื่อไม่เห็นอย่างนั้นมันก็ไม่ยินดีเพราะมันถือว่ายังพอใช้พอสอยอยู่ จิตและความเห็นเป็นของสำคัญมากถ้าเจตนาสูงศีล ส, สมาธิปัญญาก็สูงเจตนาหังพิกเวสีหลังวะถามิเจตนาหังพิกเวสมาทิงวะถามิเจตนาหังพิก เ, เ, เวปัญญาวะดามินะกลมกืนกัน ผู้อยู่ในโลกีก็กลมกืนในโลกีผู้ข้ามโลกีไปก็กลมกืนในโลกตลุตระเป็นชั้นๆไปในโลกตลุตระในโลกีก็มีอยู่สี่ชั้นมนุษย์สัตว์ทีรักษาเปรตอสุรกาย ในโลกใครเป็นผู้ชนะโลกก็สูตรบโโัณฑูชยายะสามีมีการจะชนะความหลงของตนคือชนะโลกเป็นนิยตบุคคล ไม่อ่าเป็นอนิจโตอนิจโตแปลว่าไม่แน่นอนนิยโตผู้คนแน่นอนแน่นอนทางจะเดินตรงไปสู่พระานจิตใจนั้นเดินตรงไปไม่ถอยหลังคพ่อข้าวก็ว่าเข้าสู่สงครามทุกวันนี้ สงครามแก่สงครามเก็บสงคร า, ามตายสงครามโลคสงครามโกรธสงครามหลงถ้าจะถอยหลังก็ถูกหอกอีกถ้าจะแวะ้ายแลขวาก็ถูกหอกอีกมีเดินข้างหน้าทางเดียวเดินในที่นี่หมายความว่าเดินไปในพระพุทธธรรมประสงค์ น่านจิตใจและความประพฤติโอนไปเอ็นไปทางเดียวไม่ได้โอนไปทางซ้ายและขวาและถอยหลังเพราะได้เลือกแล้วธรรมวิจยะเลือกคำสอนในพระพุทธศาสนาเลือกแล้วไม่ให้มีใครโกหกพกรลมตนได้แค่เดียวก็รู้ได้เมื่อเลือกคำสอนนัน ในไตรโลกธาตุเริ่มมาตกลงเริ่มใสในคำสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อไม่สงสัยว่าคำสอนอื่นจะเหนือพระพุทธศาสนาแล้วความสงสัยมันก็ตัดขาดไปหมดแล้วเมื่อความสงสัยตัดขาดไปหมดแล้วมันก็ตั้งหน้าเดินทางของมันเท่านั้นมันไม่สงสัยว่าจะแวะซ้ายแลวขวาที่มันสงสัยว่าจะแวะซ้ายแลวขวาก็พระ มันไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเต็มภูมิมันถือว่ามีนโยบายใดนะโยบายหนึ่งที่จะดีเด่นกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันตีความหมายอย่างนั้นถ้ามันถือว่านะโยบายใดๆก็ตามไม่เหนือพระพุทธศาสนาหรอกถ้ามันนึกเห็นอย่างนั้นตามเป็นจริง ของทําแล้วมันก็ไม่สงสัยในมันเลยเมื่อไม่สงสัยนพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็งอยอยู่บนหัวใจไม่มีทลางวันกลางคืนเมื่อสงสัยพระพุทธศาสนาบางทีไม่สงสัยพระพุทธศาสนาก็มางอยอยู่หัวใจว่าเมื่อนึกสงสัยพระพุทธศาสนาก็กระโดดนี้แล้วเนี่ย กระโดดนี้ออกจากหังใจนะเพราะความร่มไส้เจ้าของพาเจ้าของกระโดดนี้แต่พุทธศาสนาไม่ได้ลำเอียงเข้ากับใครแต่เราลำเอียงเขากับพุทธศาสนาต่างหาก เกิดมา hn, สร้างดินสร้างน้ำสร้างไฟสร้างลมมาหลายชาติพบนับไม่ไหวเสียแล้วมามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นพระเจ้าแผ่นน้ำมาเป็นพระเจ้าแผ่นไฟมาเป็นพระเจ้าแผ่นลมมาเป็นพระเจ้าโลกมาเป็นพระเจ้าโกรธมาเป็นพระเจ้าหลงสอบไม่ตกสอบที่ไหนก็ได้คะแนนเอกอันนี้ ทีจ่จะมาปดอาวุธทีนี่ย่ายบ้านย่ายเมืองเราไม่ได้พูดแทนเราก็ไม่ต้องเสียใจเสียใจทำไม เราไม่ได้พระหลังนั่นเสียใจดีกว่าเราไม่ได้พระสวสดาวันเสียใจได้ผู้แทนก็ได้เพียนสี่ปีเท่านั้นแหละเดี๋ยวเขาก็เค็กออกคนเราถ้าสมประสงหมดทุกอย่างใครจะเบื่อหน่ายโลกที่เบื่อหน่ายโรคเนี่ยเพราะมันไม่ผสมประสง ม, มีราบหนึ่งไม่มีราบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่งทุกหนึ่งทุกหนึ่ง ในโลกธรรมแปรปการนี่เกิดขึ้นแล้วควรพิจารณาแก่เราว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่ที่ยังเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้ตามที่เป็นจริงอย่าให้มันครอบงําจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปารถนาอย่ายินไล่ในส่วนที่ไม่ปารถนาสิ่งไหนที่เรารักว่าในวัตถุนิยมสิ่งนั้นเราก็จะเสียใจมาก เพราะมันไม่ใช่อุดมคติไม่เหมือนเรารักมักผลผนิพพานเพราะสิ่งที่เรารักมากอ่ะมันไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของเราเสียแลว้วเมื่อมันมีโยกพัดพาไปเราก็เสียใจเพราะจิตของเรายังไม่สูงถ้าจิตของเราสูงเกินกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ สูงเกินกว่าราบยศสลาดเสริญสุขแปลกิดใจ ก, ก็ไม่เป็นกังวลกับราบยศสลาดเสริญสุขหรือเสื่อมย่าราบเสื่อมยศนินทาก็ดีนินทากาเรเทนาณติโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกสิ่งไหนที่เขานินทา ถ้าเราทําดีอยู่ตอนนั้นเขาเย็นท่าเราก็ปล่อยซะเราไม่ต้องแก้สิ่งไหนที่เขาเย้นท่าเราว่าสิ่งนี้ทําไม่ถูกเราพิจารณาดูว่ามันจริงครับคําเขาแล้วเราก็ต้องแก้ไม่ใช่จะไม่แก้ไปทางนั้นไม่ใช่จะแก้ไปทางนั้นเช่นพระปรมาศาสดาเขาติเตียน นามิสาขาติเตียนว่าเออพระเปลือยกายอาบน้ําในที่แก้งไม่ได้มีห้องน้ําไม่สงควรแก่พระองค์ไม่สงควรแก่พระพุทธศาสนาเออเราก็คอยจะให้มันมันมีเหตุอยู่แต่เรายังไม่บัญญัติเดี๋ยวนี้เราจะบัญญัติละก็เลยบัญญัติให้มีพระอาบน้ําฝน สิ่งไหนที่เขาตีเตียนว่าเราไม่ดีถ้าเราไม่ดีจริงๆก็อย่าไปโกรธถ้าเรายังยินดีในตอนนั่นอยู่จะโกรธก็โกรธซักแต่ว่าไม่โกรธเป็นการดีโกรธแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอก แปดหมื 80, ่นสีพระธรรมขันธ์ก็รวมในในปัจจุบันปัจจุบันพลิบตาลงขณะคิดเดียวเห็นโลกรอบแล้วคิดเลกล็กขึ้นขณะจิตเดียวเห็นโลกรอบแล้วมเมื่อเห็นความเกิดความดับเร็วนะัก มาใช้เข้าขั้งหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วโลกในฝ่ายกองทุกในฝ่ายรูปขันนามในฝ่ายรูปขันเห็นคณะกิดที่นึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปเรียกว่าฝ่ายนามขันอยกมามนามมาโลกล่วงไปเหมือนกันอันนิจตาทำเหมือนกันพูดไปไหนก็ไม่ถูกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วล่วงไปอย่างเผึงผายเลย คำพูดแต่ละวันละบาทก็ล่วงไปอยาป่างผุ่งผายไม่ละอายใครเลยแก่เก็บตายก็ไม่ละอายใครวันนี้ก็แก่กว่าวันวานนี่และแก่กว่าไม่เช่านี่ยใกล้จะตายกว่าไม่เช่าอีกซะด้วยรู้ตามเป็นจริงของโลกแล้วจะไม่ได้มาสร้างโลกอีกรู้ตามเป็นจริงของสังขาร จะไม่ได้มาสร้างสังขารอีกรูปตามเป็นจริงของดินน้ำไฟลมจะไม่ได้มาสร้างดินน้ำไฟลมอีกดินน้ำไฟลมข้างในคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เรียกว่าโรคภายในเรียกว่าปัจจุบันนลกหรือปัจจุบันนาท่า หรือปัจจุบั น, นธรรมเรียกว่ารู ป, ปรธรรมหรือปัจจุบั น, นขันเรียกว่ารู ป, ปรขันที่เป็นธาตุดินอันนี้ธาตุดินก็ตามธาตุน้าก็ตามธาตุไฟก็ตามธาตุลมก็ตามเวทนาธาต์ก็ตามความสวยอารมณ์สุขทุกเบคาสัญญาธาต์ก็ตามสังขารธาตก็ตามวิญญาณธาต์ก็ตาม เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นปัญหาใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นจริงอยู่อย่างนั้นทำทั้งหลายเป็นอยู่ก่อนเราก็ต้องพิจารณาให้เป็นจริงตามเป็นจริงซะเช่นทกนรกายมันเป็นจริงในทางเปื่อยเน่า เราก็อยากฝืนมันเราอยากฝืนว่ามันสวยแต่เราว่าฝืนมันสวยอยู่ เ, เรียกว่าไม่รู้ทวามเป็นจริงเรียกว่าฝืนความจริงเราถือว่ามันเป็นสุขเเราก็ฝืนความจริงแต่ไอ้แท้ๆร่างกายมันเป็นทุกข์มีโรคต่างๆอาศัยอยู่มีเหวี่มีอยากมีหนาวมีร้อน แล้วนุ่งผ้าห่มผ้าห่มห่มทำไมห่มเพื่อปกปิดกันยุงกันแดดกันลมกันฝนกันความละอายเพราะสะกปรร่างกายมันเป็นสิ่งที่น่าละอายมีแต่ของตกกระปกโสมมุมเหตุฉะนั้นจึงปกปิดไว้และกันแดดกันลมด้วยกันความละอาย เหตุนั้นจึงว่าที่ได้กโกเป็นละปฏิชาละหนันงละอายแล้วกระบกปิดไว้เกิดมีอยู่ตาบใดก็มีแก่มีเก็บมีตายอยู่ตาบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่ตาบใดสิ่งนั้นก็แปรปวนและแตกสลายอยู่ตาบนั้น ตามเป็นจริงพร้อมกับลมเข้าลมออกสักจะได้หายสงสัยจะไม่ได้ขบตนคืนเราพูดอยู่นี่ไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าที่เราเคยพูดมาแล้วนั่นเองใจก็เป็นของเก่าหูก็เป็นของเก่า โโเสียงก็เป็นของเก่าโรคโกรธหลงก็เป็นของเก่าศีลสมาธิปัญญาก็าเป็นของเก่าเหมือนกันนะผลนี่ยานก็เป็นของเก่าเหมือนกันแต่ของเก่าที่ควรทิ้งของเก่าที่ควรเจริญของเก่าที่ควรทิ้งก็คือทางบาปของเก่าที่ควรเจริญก็คือทางบุญที่จะทำให้แก้ก็คือมรรคผลนิพยาน ทานมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นประพฤติใกล้พระเนรพานแลยศีลมีอยู่ในท่านผู้ใดผู้นั้นประพฤติใกล้พระเนรพานแลยภาวนามีอยู่ในท่านผู้ใดผู้นั้นประพฤติใกล้พระเนรพานแลยเมตตาปราณีมีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นประพฤติใกล้พระเนรพานเลยแแ้ล สนใจในธรรมในท่านผู้ใดผู้นั่นจะใครผู้ท่านจะเป็นผู้เจริญธรรมกาวางพระโอหตัวผู้ใคร่ครวรทําเป็นผู้เจริญผู้ไม่ใครครวรทําก็ตรงกันข้ามเป็นผู้เสื่อมเสื่อมออกจากธรรมอันกำลังได้พึงถึงคนมีอยู่มากๆสมมุติเป็นดินดูดู แล้วก็สมมติเป็นน้ำมดสมมตเป็นธาตุดินมดทั้งใจโลกธาตุรวมลงมาเป็นธาตุดินมดพลกออกจากธาตุดินพิจารณาดินสมควรแล้วก็พพลกออกจากธาตุดินพิจารณาให้เป็นน้ำ ม, มดในใจโลกธาตุเส ม, มอภาคกัน ลบหน้าออกแล้วกับพิจารณาให้เป็นลมมดแล้วก็พิจารณาให้เป็นไฟมดแล้วพิจารณาให้เป็นของเกิดของดับมดเห็นอันนี้จังคณะกี่เดียวทั้งโลกรอบแล้วยพูดอยู่จนเบื่อหูแล้วเนี่เพราะมันมีเท่านั้น เห็นทุกขณะคิดเดียเาเห็นโลกอีกเหมือนกันเห็นสังขารอีกือนกันเมื่อเข้าใจเห็นชัดอย่างนั้นก็เป็นตัวศีลก็เป็นตัวสมาธิก็เป็นตัวปัญญาอยู่ที่นั่นเองนั่นเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนขณะคิดเดียว ก็คือถอนอุปาทานในขณะิดเดียวนั่นเองนั่นถ้าเห็นอยู่เป็นเนืองนิดกว่าถอนอุปาทานอยู่เป็นเนืองนิสทั้งหมดเลยแล้ววิญญาณปฏิสนธิก็ไม่มีอีกนี้บาท่านมาสนใจสุขทุ ก, กข์อุเบกขาอะไรต่ออะไรสารพัดก็สุขทุ ก, กข์อุเบกขาสัญญาสังขารวิญญาณนามโลก ท่านก็บอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วแปลผวนั้นแตกสลายแล้วเราก็พิจารณาก็เห็นจริงอย่างนั้นแล้วจะนี่เราจะไปสงสัยอะไรอีกจะไปทำให้มันเป็นอะไรเพราะเวทนามันก็ไม่ได้ใส่ชื่อหรือนามว่ามันเป็นเวทนาเราใส่ชื่อหรือนามให้มันเสียอพอให้เข้าใจความหมายกันเฉยๆเวทนามันไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นเวทนาเราหรือเราเป็นเวทนาเวทนาสุขทุกข์เบกขาก็เหมือนกันนะเราไปบัญญัติเอา บรรัตทำไมบรรัตได้รู้จักความหมายตามเป็นจริงของสมุดผมละอดีตยังไม่ได้ผมละอนาคตยังไม่ได้ผมละปัจจุบันยังไม่ได้ใครก็ละไม่ได้เหมือนกันถ้าถือว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตมันก็ละไม่ได้ ถ้าถืออนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตมันก็ละละไม่ได้ถ้าถือปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันมันก็ละไม่ได้อีกเหมือนกันแต่อาศัยปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระพุทธศาสนาธรรมศาสตรสนาสังฆศาสนาเป็นพระไตรปิฎกถ้าอย่างนั้นไม่มีสิ่งที่จะปฏิบัติ ต้องอาศัยเป้าอันใดอันหนึ่งียก่อนเมื่อข้ามพ้นทุกแล้วก็ไม่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วยต้องอาศัยปัจจุบันเพื่อจะรู้แก้งทันปัจจุบันสัตว์โลกทั้งหลายถ้าไม่สำคัญตัวว่าอยู่ในที่ใดๆแล้ว กิลเลมันจะมาจากประตูไหนเพราะมีแต่สังขารและกองทุกพูดมากก็พูดของเก่าพูดน้อยก็พูดของเก่า เพราะเก่าคืออะไรคือเก่าคิดเก่าใจกายวายการนั่นเองคือจิตใจเป็นผู้พูดนึกขึน้นแรกก็ผู้พูดคิดใจก็เป็นผู้ฟังฟังเทศก็คือฟังใจผูเทศก็คือฟังเอา เ, เอาใจเป็นทูเทศกระทู้จะกระทู้เทศคืออะไรก็คือกระทู้ใจพูดเรื่องกายก็เป็นกระทู้กายพูดเรื่องวายกาก็เป็นกระทู้วายกา พูดเรื่องดินก็เป็นกระทู้ดินพูดเรื่องน้ำก็เป็นกระทู้น้าพูดเรื่องกิเลกก็เป็นกระทู้กิเลสพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็เป็นกระทู้ศีลสมาธิปัญญานะมันก็ขึ้นอยู่กับเราผู้ทาผู้รู้ทำเป็นจริง ถือมั่นในพระพุะทธธรรมประสงค์มันไม่บาปหรือมันเป็นเป็นอุปทานหรือไม่เป็นอุปทานถือมั่นในทานในศีลในภาวนาถือมั่นในพระพุะทธธรรมประสงค์เป็นอุปทานไหมไม่เป็นอุปทานถ้าอย่างนั้นไม่เป็นมันจะเป็นคนไม่มีข้อวัดใช่แ้ดูดเดียห์เวิร์สหน้าที่เกลอยวใช่ไหม ฮะตู้มงนึ่งแล้ววะฮะอไรเกาะข้นอไควบไม่ยั้งวะแ้าวกไปวอกมากวอาไปวอามากอะไรควบเนี่ยก็พวกเจ้าแหะเออง่ไปโง่มากง่มาเหาเนี่ยวอกไปไซม์กับวอไปวอกความดัว่ไปาพวกวากเน่ยไม่กลับไปหาพวกังบเกาอันนั้นแหละเหรอพี่สัต่ะให้พ่อเราเอาแล้วเนาะ ญาตาวาดิวาฮาปุราภิเรนตสะคารังเยมิวโตเจนังเปตารังอุปการปฏิ มิจิตังมิจิังมังคเมวะสัมมูะพเรียนตูสังกะปายนันโยาโชติะโสยาะโยวนสะโโตโยโกิตมาเทปุตตุนตระโยตุติกาโยโภะวิวาสนาสีนิสานิจังมุตามิายนารธมวนติอายุวันสุขังผาลังสภุทานุภาเวนะสภัทมาโนภาเวนะสภัทังาโนภาเะตุระตระตังตะนะตังสะระตังตินังนาตะนางาโภาเวนะจตุสีตตมะกัา นุภาเวนะปิฏกัตยานภาเวนะเกาภาเวนะสเโราเเตยาเอัตาาเตวสเนิมตาสัเเตังรวินสันตุยโตะกาตวะโกกาเจดีตะโกตะยโตะโกตะวะตะโกตะวะตะโกตะกตะโกตะงตุตปตาโกรกาเวาโสกาสตุยตนนราเวนสตุเตกาิสิิานังาภิภายังสุังราายจนจกังมุติาสวตวสาายจวสิทธิวันตุ ตุลาปฏิวัตาุทานุภาตาโสวตุเตพระวะสมัคันตุิวติเจาพทานุภาเวนสาโสทีภาวนตุเตพระวจสาังคลังคันตุลวตาสปาสังฆานภาเวนะสตาโสถีภาวนตุเตยทุกเม่มีประมาณนันเถพุทโธโมสังโคนิพานังยังได้มาเกิดแก่เก็บตายอีกเลยพุทโธธโมสังโคนิพานังให้พ้นจากทุกนวัฏสงสารทุกต้นหน้าทุกทางใจโรกาอยู่ทุกเมื่อเธอ เราไปใสกับมาหาผู้ว์กับมาหาผู้ฟังมัได้ไปทั้งเอื้นอนผู้โทษทั้โมทั้งโคเออท่าเดชท่าชัว่วกับเจ้าของผู้ท่าเออแบ่นะจะจักจะไปหาใสจะไปจักหาความดีความชัว่วไสเอีกจะหาแค่ผองนั่นตัว ผู้แทนั่นซื้อมาคือตกเอมไม่เนาะเขาเรียนเนื้นไปง่จะไปซูได้เมื่อโตญาติกันเป็นผู้แท่นนี่หันบอกว่าญาติกันเขา้าสู้พันธานเ <às S 1> บียงบ้านายญาติบ้าายไ เขาพุทธเจ้าหาติาศต่อสู้พญ่าภามในพระไหหมาญตผู้แทนกันด้ย <c oughs> ผู้ใดบัญญัติว่าบุญคุณโทษถูกก็พระพุทธศาสานาเท่านั้นบัญญัติถูกนอกนั่นเอาเป็นประมาณไม่ได้ชิงที่ไม่ดีมันว่าดีก็มีสุราเมระยะกินเป็นระยะระยะมันไม่เมาหรอก มันไม่ชิมหายหรอกก็ามันชิมหายกงินเป็นระยะระยะมันไม่พูดซะมันก็เมาเป็นระยะระยะมันก็ไม่พูดซะเสียทรัพย์เป็นระยะระยะก่อการทะเลาะวิวาทเป็นอะไรระยะระยะต้องตีเตียนเป็นระยะระยะไม่รู้จักอายเป็นระยะระยะถอนกำลังเป็นระยะระยะ เราในคําสอนดีแล้วคําสอนใดในตดโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดน้ําห้ยน้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผูร้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้ทำมันนี่เป็นของจริง เป็นอริยสัจธรรมตายตัวอยู่จริงทรงหยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเทียบในทางสูงเฉียมทิศจะมีกี่ด้านล่างก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดไม่มีกลางวันกลางคืนด้วยคําสอน ใ, นใดๆก็เป็นเองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั่นไม่มีกลางวันกลางคืนไม่พูดอีกก็จริงอีกเทียบในทางสูงเทียบในทางน้ามหาสมุทรเทียบในทางลึกซึ้ง ทมอันนี้เป็นไม่ใช่ธรรมของพุทธชนคนหนาจะรู้ตามเป็นจริงจะปฏิบัติตามเป็นจริงจะุดพ้นจากความสงสัยตามเป็นจริงทาคาสอนของพุทธศาสะนะาบางต้นสอนให้ธรรมะให้ยังชีวิตในทางที่ชอบเรื่องกลางสอนให้รเรียบเร่งปฏิบัติเพื่อคนทุกเรื่องท้ายก็ให้รเรียบเร่งจัดเข้าไปเอง เพรเวลาสายันตะวันบ่ายมันไม่บ่ายแต่เวลาสายันตะวันชีวาของเราก็บ่ายไปด้วยไม่คืนมาหนุ่มอีกสวัสดีปีใหม่แต่ว่าใกล้จะตายกว่าพี่ยกายนี่พูดทําดีบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อยทําชั่วบ่อยใจก็ต่ําลงบ่อยสิ่งอื่นต่ําสูงไม่เป็นปัญหาจิตใจต่ําสูงเป็นปัญหามากต่าก็ต่ําลงในทางที่ไม่ดี สูงกะสูงขึ้นในทางที่ไม่ดีก็ไม่ถูกเองมีผู้พุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้จึงมีรัฐที่ต่างๆมาประชันคันแข่งกันในด้านปฏิบัติถ้ามันมีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้แล้วทะเลน้บตาทะเลเวณทะเลภัยเสียง สาบเสียงแช่งจะเป็นแทนเสียงสวดมนต์สบายดีหรือคุณป้าคุณหนูคุณโยมคุณพี่คุณน้องเอามาจากไหนก็เอามาจากอายุวโนสุขังฝลังของพระนั่นเองนะถ้ามาอย่างนั้นแล้วได้ยินเสียงสาบแฉ่งกลิ่นของโลกจะเป็นยังไงก็คือกลิ่นเหม็นเราดีนี่เองเพราะฝังไม่ทันเผาไม่ทันน้า ที่เราจะดื่มจะใช่ก็คือนาา้าร่างศพเองตายอยู่ทุกยอมย่าทุกผลทุกแห่งเอ้าเพียงสินห้าเท่านั้นโลกก็สงบแล้วการตายอยู่ตากท้องถนนก็ดีหรือพระนครหลวงหรือต่างจังหวัดหรือภาคกวะเดีก็มีน้อยการตายหง ขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเพราะมีเสียงห่างแล้วผัวของใครเมียเขามาใครก็ไปตามสะดวกกันไม่ต้องระเวงใครมาพูดก็เป็นคําจริงทั้งนั้นเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เสียเวลาทัานพูดไม่เสียเวลาท่านผู้ฟังด้วยคนมามเหละเกกะ อยู่ในถนนก็ไม่มีภาวนามีายชั่นเนอผู้หวังผู้ทุกข์ในวัฏฏะทงสารโดยดวนก็ภาวนาแบบหนึง่งเพื่อเริ่มต้นก็ภาวนาแบบหนึง่งผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วก็ภาวนาแบบหนึง่งไม่อยู่แบบเดียวกันภาวนาอันเดียวกันกรรมฐานอันเดียวกันแต่พิจารณาต่างกันลมหายใจเข้าออกแบบเดียวกันแต่พิจารณาต่างกัน บางท่านพะลมเข้าก็เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาชัดแล้วพอลมออกก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดในตัวเหมือนกันบางท่านก็เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นพอพะลมออกเข้าทําไมท่านจึงภาวนาอย่างนั้นเพราะท่านหวังจะทําลายอุ ป, ปาทานจะไม่ให้ติดอยู่ในที่ใดทั้งสิ่นลมเป็นแต่สักว่าลมจิตเป็นแต่สักว่าจิตผู้รู้เป็นแต่สักว่าผู้รู้บางท่านภาวนารับอย่างนั้น เพราะเหตุใดเพราะเคยเจอนิมิตมาแล้วรัสเซียร้องเวียดนามร้องเพราะ น, า น, นันทิกานี้เอามาจากพวกนั้นนี่ท่านพู้ใะกรับป๋าลบอะไรกับป๋าลบซะเวลามีน้อยนอะ เออนี่นี่นี่นี่ยอโยมงอุปถาดนี่นี่นี่นี่สองคนนี่นี่นันเนอะเวลาเดินเอาไว้กับขาข้าออกเดินเดินขาซ้ายขาขวาให้รู้จักจะเดินไปทางทิศไหนทิศตะวันออกทิศตะวันตกพอถูกแต่ ผลทางที่เดินอย่างน้อยก็สิบเก้าหรือห้าเก้าก็แล้วแต่สถานที่จะอำนวยให้บางองค์นางพิุณีกอดต้นเสาเดินวนเวียนอยู่ก้ในทัาเหล็จประหลานเดินก็คือเดินภาวนา น, นั่นเองเราก้าวขาท้ายือขาขวาให้รู้จักหมดกลับท้ายกลับขวาไม่เป็นปัญหาขอให้เรารู้จักเท่านั้น ถ้าเราเดินกำหนดลมหายใจเขาออกมันไม่ทันกันเพราะหายใจเข้าข้างหนึ่งมันเดินไปสี่ห้าเก้าแล้วนะ <c oughs> ไม่ทันกันต้องเอาไ้กับขาเก้าออกเดิมเดินพุดธขาขวาโถขาซ้ายอย่างนั้นก็ถูกจะกลับซ้ายกลับขวาไม่เป็นปัญหาขอให้มีสติห้ามไให้เดินแกวงแขนเหมือนนักเงรงโซลาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ห้ามให้เกินห้ามไม่เดินกอดเข่าอย่างนี้ห้ามไให้เดินอย่างนี้ ห้ามให้เดินอย่างนี้แล้วก็ห้ามไม่ให้เดินอย่างนี้ห้ามไให้เดินสู่บุหรี่ห้ามม่ให้เดินกินหมากเอามือหย่อนลงแบบนี้หย่อนลงคอตึงๆนี่คอนี่ก็พอแล้วเอามือขวาทักมือซ้ายก็เดินไปมากลับไปกลับมาบาท่าน์กอดอกเดินหลวงปู่ม่อนบอกว่าคนหมดปัญญาวาอย่งัง <c oughs> คนหมดปัญญาบาถ้านก็เดินแขวงแขนแขวงแขนเลย พอกเรามาลบ ป, ปู่ม่นบอกวา่านักเรงโซลาท่านว่าอย่างไรไม่สมควรบางตนก็เดินแบบนี้คนชีเกียรท่านว่าอย่างนั้นไม่เอาอยู่ในวัดในวาก็เหมือนกันลบ ป, ปู่ม่นไม่เห็นทำใครทําอย่างนี้ไม่ถูกอยู่ในวัดในวาพระพิฆสมัมมเห็เห็นก็ดุเลยทําอย่างนี้ก็เหมือนกันอยู่ในวัดในวาไม่ให้ทํำลบปู่ม่นฮะ เร็วช้าไม่สำคัญควายไมีสติแต่ถ้าเร็วเกินไปก็ไม่งามเนื้อเร็วจะไปเร็วเกินไปก็ไม่งามอืถ้าเกินไปก็ไม่งามเหมือนเขาออกท่าลิเก้าก้ขวาไม่เป็นปัญหาฮะเออให้รู้จักให้ให้รูจจร้ จ, จักวิธีเดิน ให้รู้จักกจ้ของเดินเดินเข้าไปก็มาก็ให้รู้จักก้าวขา ข, าขวาและขาซ้ายให้รู้จักขาขวาขาซ้ายเหยียบดินหรือยมาเหยียบเหยียบพื้นหรือยมาเหยียบก็ให้รู้จักหัดกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ให้รู้จักไม่ให้หลงทำอย่างนี้อย่างนี้ให้รู้จักไม่ให้หลงทำอย่างนี้ก็ <laughs> กให้รู้จักนั่งไปรู้จักนั่ง ถ้าจะพิจารณาไปทางรัฐเราทราบดีอยู่แล้วว่าในไต่โลกธาตุเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแ ป, ปลปร แ, แล้วแตกสายเราก็พิจารณาทุกเป็นอารมณ์ควอมกวบลมหายใจเข้าออกควอมควบขาเ้าออกเดินก็ถูกเราคิดจะพิจารณาอนิจจังพควอมควบขาเ้าออกเดินก็ถูกเราจะพิจารณาพุทโธควอมควบขาเ้าออกเดินก็ถูกแล้วแต่เราถนัดอันไหนถ้าเราถนัดอันไหนเราก็ภาวนาอันนั้นกรรมฐานอื่นก็มารวมอยู่ที่นั่นเอง ฉนลมหายใจเข้าออกก็มีอยู่ทั้งเกิดแก่เจ็ตายมีทั้งโรคทั้งโกรธทั้งหลงมีทั้งใจชะนะขมด้วยมีทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยมีอยู่้าพการบวชไม่ใช่ว่าเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณานา้ำน้ำจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีไม่ใช่อย่างนั้นมันมีอยู่ในปัจจุบันครบหมดแล้วแปดมี 80, ่พระธรรมกันเราจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่มันเป็นเรื่องของเราเอง เข้าใจนะทีนี้คําสอนแปดหมื่นสีพระธรรมขันย้อนลงมาในปัจจุบัอนอดีตล่วงไปแล้ว อ, อนาคตยังไม่มาถึงอดีตคืออะไรคือจิตใจที่ล่วงไปแล้ว อ, อนาคตคืออะไรคือจิตใจที่ยังไม่มาถึงเป็นนิทานของมันปัจจุบันคือจิตใจที่กําลังเปลี่นอยู่อดีตคืออะไรก็คือรูปกายนามกายที่ล่วงไปแล้ว ก็คือรูกายนามกายที AD ่ยังไม่มาถึงก็คือโรูปกายนามกายที่ยังเป็นอยู่มีอันไม่ก็ไม่อันเดียวกันเห็นทุกชัดในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยเห็นโรคชัดในปัจจุบันโรคในอดีตในอนาคตไม่ต้องสงสัยเห็นความเกิดขึ้นและปลี่นแปลงและแตกสลายในปัจจุบันอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามความสงสัยของตนได้ นั sea, language, ่งอยู่คณะเดียวเห็นรอบโลกแล้วพระโลกเต็มไปด้วยอานิจจังเห็นอานิจจังก็เห็นรอบโลกเห็นทุกข์ก็เห็นรอบโลกเห็นดินก็เห็นรอบโลกพระโลกเต็มไปด้วยดินเห็นน้ำก็เห็นรอบโลกพระโลกเต็มไปด้วยน้ำเห็นโลกโปวดหลงก็เห็นรอบโลกพราะโลกเต็มไปด้วยโลกปวดหลงเห็นอย่างนี้มันเป็นตัวศีลมันเป็นตัวสมาธิมันเป็นตัวปัญญาอยู่ในตัวะเข้าใจไหมล่ะเอาละเที่ีงไป อยากคนทุกข์ง่ายกําหนดลมห้ใจเข้าออกเป็นแต่สักวารูปะเห็นเป็นแต่สักวารู้ว่าเห็นไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลลมเป็นแต่สักวาลมจิตเป็นแต่สักวาจิตผู้รู้เป็นแต่สักว่าผู้รู้ถอนอุปท า, านอยู่ในตัวแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานเลยต้องการไปทางรัฐบางท่านเขาบอกว่าข้าพเจ้าภาวนาข้ามเวทนาไม่ได้ ก็เรายืนยันนวเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนามันก็ข้าไม่ได้สิถ้าเรามายืนยันนเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาอยู่ในตัวเข้าใจไหมล่ะนะนำไปเท็ดก่อนไอเท็ดสูบเกิดไปถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเอาพุโทโธเนอะเอาพุโทโธ พุทโธแม่พามาเกิดมาแก่มาแก้มาตายอะ่ะพุทโธแม่พาสร้างเวรสร้างภัยอะ่ะพุทโธแม่พาเล่นเลขเล่นผาหนะ่ะพุทโธแม่พาเล่นอบายมุขธมโมก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันน่นแล้วก็แปลพุทโธให้มันถูกสิเราอย่าไปโง่สิน่น